อันถ้ามองเห็นโทษภัยของปียรูปสารูปนั้นเท่าใดใจก็น้อมไปเพื่อจะวิราคาเนี่ยนะไอ้คำว่ากำหนัดเนี่ยหมายถึงการจับต้องหรือเหมือนกับดึงเข้ามามาสวมกอดไว้นะถ้าวิราคาก็เหมือนกับว่าปล่อยไปนั้นก็ถือว่าการปล่อยวัตถุนั้นเนี่ยนะปล่อยโดยตัดเยื่อใยในวัตถุนั้นนั่นแหละเป็นความดับทุกข์เนี่นะ ใครจะก็ทาไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากนะที่จะอธิบายว่าตัดชันธราค้าในอุปาทานขันห้านี่แหละเป็นท่าเอ่อเป็นความดับทุกเนี่ยนะเพราะเขาถือว่าขันห้าเหล่านั้นมันวิบัติมันจึงเป็นทุกข์ถ้าใครรักษาขันห้าได้ดีมันจะไม่ทุกข์กรหรอกเขาเขาก็ถือว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเขามีพราหมณ์คนหนึ่งฤหับดีคนหนึ่งเขามีลูกชายคนเดียวลูกชายเขาตาย กดเสียใจร้องโหมร้องให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่านี่ความทุกข์อันนี้ความเสียใจอันนี้เกิดจากท่านมีราคะในลูกใช่ไหมบอกไม่ใช่เพราะลูกตายเขาจึงทุกข์ถ้าลูกไม่ตายเขาไม่ทุกข์อย่างนี้หรอกเพราะความตายของลูกเขาจึงทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะคุณมีฉันทราคะในลูกจึงเป็นทุกข์ของเรานี้จะเห็นด้วยกับใคร ไม่แน่นะอาจจะเห็นด้วยกับครหาบดีคนนั้นนะนะเพราะลูกตายเราจึงเป็นทุกข์ไงไหมถ้าลูกไม่ตายฉันจะไม่ทุกข์เลยพรุทธเจ้าบอกว่าเพราะคุณมีฉันทราค่าในลูกคุณจึงทุกข์สมมุติ ถ, ถ้าเรารถเสียใช่ไหมเ ร, เราเสียใจเนี่ยเราจะโทษว่ารถเสียหรือเพราะเรามีฉันทราค่าในรถนะนะเพราะรถมันเสียเราจึงเป็นทุกข์สมมุตินะสตังหายเนี่เอาสมมุตินะเราเสียใจที่มันหายหรือเสียใจที่เรามีฉันทราค่าในสตัง เอาไงดีแว่นตกหายเนี่ยนะหรือเราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะเรามีฉันทราคะในแว่นหรือว่าแว่นมันหายเราจึงเป็นทุกข์นนนะเนี่ยนะเนีคือปุถุชนทั้งหลายผู้ที่ไม่ใช่วิสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าวัตถุนั้นเสียหายเขาจึงเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าเพราะมีฉันทราคะในวัตถุนั้นนะ่ะคุณจึงเป็นทุกข์เหมือนคนที่ลูกตายเนี่ยนะเพราะมีฉันทราคะในลูก เขาจึงทุกคนที่มีพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายแล้วเขาเสียใจเพราะวัตถุนั้นน่ะเนื่องจากเขามีฉันทราค้าในวัตถุนั้นนั้นถ้าตัดฉันทราค้าในวัตถุนั้นไม่ได้ถ้าวัตถุนั้นแปรไปไรก็ก็เป็นทุกข์ละพระพุทธเจ้าไม่มีฉันทราค้าในพระราหุลมารเขาเนี่ยพยายามจะเหมือนกับว่าแกล้งเหมือนจะมาฆ่าพระราหุลให้พระพุทธเจ้าดูนะ พระ อ, องค์ก็ไม่ได้คือจิตไม่ได้วิทย์อะไรนะคงที่อะวางั้นเถอะปกติพระราหุลเป็นพระราหุลตายใจพระพุทธเจ้าปกติไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยทาปริญญาในพระราหุลเสร็จแล้วตัดฉันธราค้าในพระราหุลเสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นเราเราทั้งหลายล่ะโอ้ยเดือดร้อนตายเลยนะโภมนับมากนะยอมคนหนึ่งภริยา เกือบตายเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเลยนะแมไม่นานตายตามเลยย่งเงีทั้งคนที่รักวัตถุใดมากๆเลยนะวัตถุนั้นแปรไปอะ่ะแต่เขาน้อยคนนักอ่ะนะที่จะเห็นโทษว่าเพราะเขามีฉันทราคะในวัตถุนั้นมีนกตัวหนึ่งเข้าไปกับนางนกตัวหนึ่งนะก็บินไปด้วยกันคู่นะเหวีย่ยวมาโฉบตัวหนึ่งไปเนี่ยนะเหวีย่ยวโฉบตัวเมียไป นกตัวนี้เสียใจมากแต่เขามานึน้องื้อนี่นะที่เขาเสียใจเพราะเขามีฉันทราคะในนางนกตัวนั้นเขาต้องสมาทานอุโบสถเพื่อตัดไอฉันทราคะที่มีต่อนางนกเพราะว่านี่ถ้าเขาไม่มีฉันทราคะต่อนางนกนะเขาไม่ทุกข์ขนาดนี้หรอกเนี่ยเนีเมื่อไรเนาะที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อตัดฉันทราคะในอุปาทานขันห้าพันจิตต้องน้อมไปในลักษณะนี้ถ้าไม่น้อมไปอย่างนี้นะ เราจะไม่เห็นคุณของพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดฉันธราคาสมัยก่อนเลยนะสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยอุ้ยทำไมมันต้องห้ามกันขนาดนั้นอย่างโดยเฉพาะศีลด้วยนะเราก็ชอบสมมติชอบกินชอบอะไรใช่ไม้มชอบอะไรที่มันสนุกสนุกอ่ะนะศีลมาห้ามเราไว้หมดเลยเอ๊ะทำไมห้ามตันหาเราเหลือเกินเนี่ยนะทำไมเป็นอย่างนั้น กำจัดความสุขเราเหลือเกินเนี่ยนะบางแห่งตืนมาสวดมนต์ตั้งกะดึกนะมาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยตั้งกะดึกมันดียังไงขัดความสุขในการหลับการนอนเราหมดนะคือเราจะไม่เห็นว่ามันมีโทษอะไรเลยนะการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นไม่เห็นมันมีคุณตรงไหนอะไรยังไงแต่ที่เป็นอย่างนั้นพราะเราไม่รู้สึกว่าเห็นโทษตัณหาเลยไม่เอ๊ะตัณหามันเสียหายยังไงไม่ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลย ไม่มีความรู้สึกว่าความปรารถนาในสังขารทั้งหลายนั้นเป็นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์มันกิจกรรมก็เพื่อเพื่อส่งเสริมไอ ไ, อไอความปรารถนาให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นใหม่ใก็เลยใช้คำซะสวยเลยใช่ไหมประกอบธุรกิจอนี้นะนะโอ้ยเป็นกิจที่จะต้องทํามันเป็นธุระที่ยิ่งใหญ่มากพลาดไม่ได้ะ น, นะสำคัญมากนะที่ไหนได้ก็คือสร้างวัตถานั่นแหละ มันก็สรุปโดยสรุปรวมๆ ว, ว่าไอปยรูปสาตรูปเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเมื่อเพลิดเพลินเนี่ยนะตัณหาก็เป็นเหตุแห่งการทํากรรมใช่ไหมวัตถุใดที่เราเพลิดเพลินไม่ทํากรรมเพราะวัตถุนั้นมีไหมไม่มีเนี่ยนะน้อยนักพระองค์จึงบอกว่าเมื่อคิดเมื่อจิตชอบเพลิดเพลินเนี่ยนะก็จะครุ่นคิดเมื่อครุ่นคิดเป็นต้นก็จะเกลือนกินไว้เบ็ดเสร็จนะน่ะ เมื่อเกลือกินไว้เบ็ดเสร็จก็จะเริ่มทำกรรมเพราะเพราะอาศัยวัตถุนั้นแหละเรียกว่าหนึ่งตั้งกับแสวงหาสองรักษาเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเริ่มกิจกรรมที่ที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนั้นหมูสัตว์ทั้งหลายเห็นแต่โลกนี้พวกเอกจักขุนะพวกตาเดียวเนี่ยมองเห็นแต่โลกนี้พวกสองตาเนี้ก็จะเห็นโลกหน้าด้วยวัตถุใดที่เราทำกรรมเนี่ยวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่ง พบต่อไปหมดเลยนะเขาจึงเรียกว่ากรร ม, มวิญญาอากรร ม, มวิญญาณเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปพันธ์ขอมาเห็นอาจารย์นี่นี่ก็ทํากรรมมาเยอะเหมือนกันเนี่ยนะใช่ไหมเพราะเป็นที่ตั้งแห่งกรร ม, มวิญญาณคิดถึงก็เป็นมโนกรรมพูดถึงก็เป็นวจีกรรมเนี่ยนะยกไม้ยกมือชี้เป็นต้นก็เป็นกายกรรมมันอาจมีอาจารย์นิดคนเดียวเป็นอารมณ์เนี่ยก็ทํากรรมมาเยอะแล้วนะ มีผู้การนี่ก็ทํากรรมมาเยอะมีคุณหมอยุพินเปนต้นก็ทำกรรมไว้เยอะมากทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมหมดกรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีตัณหาจักไม่ให้ผลเนี่ยนะกรรมเหล่านี้นะถ้าถ้าละตัณหาได้กรรมเหล่านี้จักเลิกให้ผลทั้งกุศลกรรมก็ตามอกุศลกรรมก็ตามบาปกรรมที่เคยทํามาในอดีตเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะถ้าตัดตัณหาเสร็จแล้วละตัณหาเสร็จแล้วเนี่ยกรรมเหล่านั้นจักไม่ให้ผล ทีนี้การตัดตันหาเนี่ยถ้าเป็นโบราณผู้มีปัญญาเนี่ยนฟังเท่าที่กล่าวมาเนี่ยเขาตัดได้แล้วแต่ว่าพอในยุคหลังๆเนี่ยโอ้เชือกเส้นใหญ่ขนาดนี้ตัดไม่ได้หรอกพระองค์ก็เลยมาจําแนกเป็นหกสิ่เป็นปีรูปสาตรรูปค่อยๆไล่ตัดทีละอันทีละอันทีละอันเนี่ยนะคือถ้าเป็นโบราณเนี่ยเชือกเป็นเกลียวใหญ่ขนาดไห น, นดับคมๆเนี่ยฟันฉับเดียวขาดหมดเลยใช่ของเราไม่ได้ต้องมาค่อยๆ ค, ค, คลี่เนี่ยนะ เาค่อยคลี่ออกมาทีละเส้นทีละเส้นนะทีละวัตถุค่อยไปตามปลดนะนะมันเหมือนอย่างว่าถ้าปิดไฟแบบเยอะดวงมากเนี่ยต้องค่อยๆไปไล่ปิดทีละอันทีละอันทีละอันใช่แต่ถ้าผู้มีปัญญาใหญ่เลยเนี่ยเขาสับคัดเอาครั้งเดียวเรียบร้อยเลยนะดับหมดเลยมันพวกที่ปัญญาในน้อยจะลักษณะเนี่ยตามแก้ทีละหน่อยทีละหน่อยทีละอารมณ์ทีละอารมณ์ทีละอารมณ์อันพระองค์แสดงธรรมให้ผู้มีปัญญาไม่มากนักฟังด้วยการจําแนกเป็น ปีรูปสาตรูปทั้งหกสบว่าตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในปยรูปสาตรูปถ้าจะดับก็ดับในปยรูปสาตูปค่อยๆไล่ดับทีละอันค่อยๆไล่ตัดฉันทราคะทีละวัตถุค่อยๆไล่ละฉันทราคะทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างพิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆวันที่ใดเป็นที่เราปรารถนาตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นถ้าจะละตันหาก็ละที่นั่น ตัณหาเมื่อเกิดเกิดที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะละตัณหาถ้าจะดับตัณหาดับที่ไหนก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เราไม่ได้พูดข้อปฏิบัตินะพูดแต่ว่าถ้าเราจะปลดทุกข์นั่นต้องปลดแถวนั้นนะ่ะปลดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยจะได้กล่าวเลยว่ารู้เห็นอย่างไรจึงจะตัดฉั้นทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่อันนั้นก็จะเป็นข้อปฏิบัติละ รู้เห็นอย่างไรจึงจะตัดตันหาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ทำยังไงหลับตาเลยใช่ไหมตัดตันหาเนี่ยทวารตาเนี่ยตัดตันหาที่ไม่ให้รักตา ต, าต่อไปทำตาให้แตกเลยก็ไม่ใช้อีกแล้วทำยังไงตกลงเนไหมที่จะเรียกว่าอะไรนะผ่าตันหาออกจากตาโดยที่ไม่ต้องมีแผลเนี่ยนะทำยังไงคิดยังไง ภาตันหาที่เลิกรักหูต่อไปเนี่ยนะโดยที่หูไม่เป็นแผลเลยตัดตันหาในจมูกโดยที่จมูกไม่เสียหายจมูกตามเดิมหมดแต่ว่าสิ้นตันหาสิ้นเยื่อใยเนี่ยนะคือคิดยังไง ร, รู้ยังไงเห็นยังไงพิจารณาอย่างไรจึงจะตัดฉันทราค่าในกายตัดฉันทราค่าในใจได้เลิกรักแม้กระทั่งใจโดยที่สุดจิตที่เป็นกุศลก็ไม่มีฉันทราค่าในาจิตที่เป็นกุศล น, นะเพราะว่า ถ้าจะดับตัณหาจริงๆเนี่ยที่จะเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะทำยังไงอะไรครับทุก้บทำยังไงอะไรครับดับตัณหาดับตัหาในตาดับตัณหาในตายังไงดับตัญหาในตาครับเราะตาเราเียเรานจะดับตัณหาอันนี้ดับตัณหาในตาอืม ก็ตาไม่ใช่อของเราตาเป็นธานดินน้ําไปลงเป็นของมีประจําโลกไม่ใช่ไม่ใช่ของเราแรานาี่ยพอไหม <_ d un> คิดแค่นี้พอไหมที่จะดับตันหาได้เป็นางคยดับได้บก็ดัไ้ไ เ, เราสิ <_ d un> มันแก้ปัญหาจะไปแก้อะไรให้คนอื่นผมก็คิดแบบนี้นมันเป็นธาดินน้ําไปลงมันก็มันก็หินอยู่การถนนน่ยมันก็เป็นน้ําไปลงมันมีประจําโลก ตัวแล้วก็เหมือนก้อกางถนดมันเป็นท่าติดน้ำไปลงไม่ใช่ของเราคิดแบบเนี้ยคิดจริงๆริรเปล่าจริงครับตลอดเวลาเลยไม่ตลอดเวลาบางทีิดบางทีมันก็ไม่ิด <c oughs> นึกว่าขนาดนี้ไปแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ย <c oughs> มองเห็นกายเนี่ยเท่ากับก้อนก้อนหินได้เนี่ยหือเจ๋งแล้วนะ ไม่ไปมีปัญหาในตาทำยังไงกับตาเออากว่าเวลาเวลาคิดจริงๆเนี่ยมันก็เปิดได้เยอะเลยเขาแล้วแต่จะนึกได้นะคุณพาะคิดยังไงยังการละฉันละัหาในตาได้ อะไรมัง่งอ๋อตามโลกานนโรท่าสูตรอย่างเลยอ๋อแล้วแล้ ว, ลวคิดยังไงจรึงกระตัดตันหาได้ไหม ออจอมนิธิทำไงจึงจะตัดฉันทราค่าในตาได้ต า, ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยนะเป็นละอันเดียวไม่ได้เอาหมดเลยอาสาธยายเลยสาธยายให้ฟังหน่อย าจากสุทวันเป็นที่รักที่ที่เพลิดเพลินในโลกตันหาเมื่อจะเกิดจะเกิดที่ที่จากสุทาวันตันหา <c oughs> ตันหาเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จากสุทวนันตันหาเมื่อจะละต้องละที่จากสุทวานตันหาเมื่อจะดับต้องดับที่จากสุทาวันเพราะทุกโทษภัยของของตันหาจึงทาให้เกิดพบชาติ ชร า, ามารณสะสกปริเทวะทุกขโทมนต์และอุปยาดเพราะฉะนั้นการ <c oughs> ตัณหาที่เกิดขึ้นย่อมทําให้เกิดความลำบาก ท, ที่ที่ที่เกิดจากจักรสุทวารเช่นเกิดราคะโทสะโมหะจะให้พ้นทุกโทษภายจากจากจากจักรสุทวารนี้จะต้องทําให้เกิดความเบื่อหน่ายใครกําหนัด แล้วก็ทงจะมีแค่นี้ใครจใครจะความคิดเห็นอะไรอีกไหมไหมถท่องไหนมาเนี่ยสูตรไหนเนี่ยเาใครจะแสดงอะไรกไหมอาจารย์หมอไหมหมอไมต้องพิจาหม ถ้าให้แจกมาเนี่ยประมนะาตุมหากระสุนว่าว่าด้วยละละสิ่งที่ไม่ใช่ของของพวกเของเราทั้งหลายตาก็ไม่ใช่ของเราจิตรูปรูปที่เราเห็นก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็จิตเห็นก็ไม่ใช่ของเรา พอจิตเห็นเกิดก็เกิดสุขเวทนาถ้าเป็นเป็นรูปที่สีที่ดีก็สุขเวทนาก็เป็นเหมือนทุกข์เอ่อถ้าถ้าไม่ชอบก็ถ้าสีนั้นไม่ดีไม่ชอบก็ก็ไม่ก็เกิดโทมนัตก็เป็นเป็นทุกข์อีกทุกข์ก็เป็นเหมือนลูกศร แล้วก็ถ้าถ้าเป็นเฉยๆก็เป็นอัตุกรรมสุขก็ยิ่งโมหะเกิดดีค่ะอันนั้นก็เราสรุปแล้วทำารําปิญญาในจักขุจักรโจักขโลจักรุสัมผัสจักขุสัมผัส ส, สชาเวทนาจักเอ่อแล้วก็ตัณหา แล้วก็สัญญาก่อนนะสัญญาแล้วก็ตันาแล้วก็วิตกวิจารณนะ์แล้วก็ในในขณะเดียวกันทวารอื่นก็ก็คล้ายๆกันนะโสตทวารคานทวารเชิวหาทวารคับขอบคุณครับเอาคุณท่านนี้สรุปให้ฟังหน่อย ก็ต้องพิจารณาตาตามความเป็นจริงนะคะว่าจริงๆแล้วตาจริงๆเนี่ยสาระจริงๆของตาอยู่ที่ไหนถ้าเราพิจารณาไปจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าตาตานี่คือจกักขคูประสาทซึ่งอาศัยมหาพูทธลูปสี่จึงจึงจะเป็นตาได้และมหาพุทธลูปสี่กับจกักรครูประสาทเนี่ยเกิดขึ้นจากผลของกรรม เพราะฉะนั้นสาระจริงๆที่บอกว่ารวมเป็นตาเนี่ยแท้จริงก็คืออาศัยกรรมทาให้ให้มี จ, กจกากจากครูประสาทแล้วก็มีมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดอันนี้คือตาจริงๆเป็นแบบนี้และเหตุเกิดที่ทำให้ให้มีตาก็คืออาศัยอวิชชาตันหกรรมที่ยังละไม่ได้ก็เป็นเหตุให้ยังมีตาอยู่ และแม้แต่ตานี้ก็ยังต้องอาศัยจิตอุตุอาหารก็จะทำให้ตาดำรงอยู่ได้และถ้าสิ่งเหล่านี้ดับก็เป็นความดับของตาและตาเนี่ยก็มีอาสาทะคืออาศัยตาเนี่ยทำให้ให้เกิดการเห็นสิ่งที่ดีก็เกิดโสมนัตก็เป็นอาสาทะอาทีนวะคือแม้แต่ตาเองเนี่ยเมื่อปัจจัยเปลี่ยนตาก็เปลี่ยน กรรมถ้าอากุศลกรรมให้ผลตาก็เสื่อมได้เพราะฉะนั้นตาก็เป็นหมายถึงว่ามีอาทินวะและอุบายที่จะสลัดออกก็คือการพิจารณาไข้หวนตามความเป็นจริงถึงอัศสาทาอาทินวะก็จะเป็นอุบายเครื่องสลัดออกค่ะ ท, ทุกคนก็มุ่งพิจารณานะว่าสำคัญก็คือคิดยังไงที่เราจะออกจากตาได้ถ้าหลีกจากตาไม่ได้นะที่สุดแห่งทุกทำไม่ได้เราเพราะว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือคือตัวทุกข์จริงๆดังกล่าวว่าทั้งชาติที่ทุกข์ชราทุกข์พญาที่ทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมณัตและอุปาญาตทุกข์ทั้งมวลเนี่ยทุกข์เหล่านั้นก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจวัตถทุกข์ที่ตั้งอยู่ก็ก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีกายเนี่ยไฟนรกจะเผาเราหรือเนี่ย ถ้าเราไม่มีร่างกายเนี่ยน well, ะความหิวอดอยากในหมู่เปรตทั้งหลายจักมีหรือถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะทุกทั้งหลายของเดรฉานอย่างวันนี้ฝนตกเนี่ยนะเชื่อเดรฉานตายไปเท่าไหร่นั่นนะมนุษย์เนี่ยตายไปเท่าไหร่ถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพวกหมู่เดรฉานทั้งหลายจักตายหรือถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสักอย่างเดียวเนี่ยนะหมู่มนุษย์ที่เจ็บป่วย โรคทั้งหลายจะเกิดได้หรือโรคทั้งหลายจากตั้งอยู่ที่ไหนโรคสารพัดโรคก็เกิดขึ้นโดยอาศาัยตาหูจมูกลิ้นกาใจถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเ น, นี่ยนะภัยทั้งมวลในวัฏตตจักจะมีหรือสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายที่เราหน้ากลัวเหลือเกินถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะจะหน้ากลัวหรือมีสีที่น่ารังเกียจหน้าขยะแขยงที่หลายคนรับไม่ได้แต่เนื่องจากตาไม่ได้ไปเห็นใช่ไหม เลยไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นทุกข์เพราะอาศัยสิ่งนั้นมีทั้งหลายเรื่องนะที่เราไม่เห็นแล้วเราจะไม่ได้เสียใจเลยแต่เห็นเมื่อไรโอ้โธมนัทเป็นอย่างมากเลยนะเพราะอาศัยการเห็นนั้นตาทั้งหลายหูทั้งหลายจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรนั้นการหาวิธีที่จะดับไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเนี่ยนะทได้ยังไงทายังไงดับตาในภพที่แปดได้อ่ ทำยังไงไม่ให้ตาเนี่ยไปโผล่ในอบา ย, ยกันนะไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจโผล่ในอบายไม่ให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโผล่ในเดรชานในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นหมู่มนุษย์เช่นมารดาเป็นโรคที่เนี่ยในโลกเนี่ยเมื่อวานหมอบอกว่ามีแม่อายุสิบสี่ปีแบบนั้นขายยาขายยาบ้านเนี่ยนะแม่อายุสิบสี่แล้วลูกเป็นยังไง ลูกเนี่ยเพิ่งขวบสองขวบองใช่ไหมเพิ่งไม่กี่เดือนเนี่ยแม่อายุสิบสี่เนี่ยนะแม่ขายยาบ้ามีน้องสาวพระรูปหนึ่งอายุไม่มากมีสามีสามีก็ขายยาบ้าถูกจับเข้าคอกนันะเมียก็นิสัยไม่ค่อยดีไม่มีความรับผิดชอบอะไรแล้วลูกที่เกิดมามจะเป็นยังไง นี่มนุษย์นะ่นะโหมีบุตรมากมาเกิดในหมู่มนุษย์ละในเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ของง่ายแล้วมารดาบิดาของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะแล้วเราจากเจริญเติบโตในสภาพเช่นไรถ้าถ้าเกิดมาแล้วเนะี่ยจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยนะจะไปเรียนอะไรจะไปอะไรจะอยู่ยังไงจะกินยังไงพันหนักๆเข้าเนี่ยนะถ้าเราเอาความชอบธรรมคือกุศลกรรมาบทเป็นที่ตั้งเนี่ยนะ ไม่ง่ายเพราะว่าเมื่อเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกที่ไม่ไปล่วงอกุศลกรบมบดเนี่ยหายากมากเป็นไปได้ยากะนะอย่างหมูสัตว์ถ้ายิ่งระดับล่างเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้ทําปานาติบาชีวิตเข้าอยู่ไม่ได้ทีนี้ทํำยังไงที่ตาของเราเป็นต้นจะไม่โผล่เกิดณนะที่นั้นๆไม่มีหูมีจมูกเกิดขึ้นหนะ้าที่นั้นๆการเห็นโทษนั่นแหละเป็นการตามเห็นโทษของความเพลิดเพลินในตาเนี่ยนะยิ่งเห็นโทษไปเท่าไหร่ใจมันก็ มันม้วนกลับเองอะนะเห็นเท่เท่าไรใจก็ม้วนกลับเท่านั้นมันม้วนกลับโดยที่ว่าถ้าดับตาโดยประการทั้งปวงนี่ดีจริงมั น, ม, นมันอธิมโมกขนาดนั้นนะจิตมันน้อมไปขนาดนั้นว่าเออถ้าดับได้เนี่ยมันดีจริงๆจิตมันก็น้อมไปเพื่อเพื่อความดับที่เรียกว่านิโรธเนี่ยนะจิตมันก็จะน้อมไปพราะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรไปหานิโรธที่อื่นจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจ ตามเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจจนกว่าใจเนี่ยจักหลีกออกฮันจึงไม่ได้ไปสแสวงหานิพพานที่อื่นไหมฮะ อ, อยู่อย่างนี้แล้วเบื่อแล้วเกินเนี่ยนะเบื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปให้พ้นนะ่ะคุณไปที่ไหนลองไปสิไปให้มันพน้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยไปที่ไหนก็เอาตาไปด้วยเอะ่ะเหมือนกับตอนนี้นะใครไปให้พ้นอาการสาบสองบ้างอะ่ะ หนีไปอยู่กรุงเทพจะได้พ้นอาการ32มสิบสองสัีพ้นไหมในพราะหนีไปต่างประเทศเลยจะได้พ้นอาการสามสองในพ้นอยู่ที่ไหนก็เอาอาการ32สองไปด้วยแบกไปด้วยเนี่ยนะถ้าเราเนา้อะไปคิดลักษณะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีโทษมีภัยสารพัด ท, ทุกข์โทษภัยทั้งหลายเกิดขึ้นโดยที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจสับกันนะทั้งทุกข์ทุกข์สังขาระทุกวิปริณามทุก ทุกทั้งมวลเหล่านี้รู้วนแต่อาศัยตาหูจมกูกลิ้นกายใจการเห็นอย่างนี้ใจมันก็ถอยกลับไปทุกครั้งที่พิจารณาทุกครั้งที่พิจารณาใจก็ถอยกลับเนี่ยนะยิ่งถอยกลับไปเท่าไหร่เนี่ยนั้นก็เป็นวิราคะเพราะวิราคะคือความคลายกําหนับนะเพราะวิราคะคือความคลายกําหนับจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจทีนี้การที่จะคลายได้จริงๆต่อเมื่อมีอีกสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ เรียกว่ามีอาสังคตะทำเป็นอารมณ์นั่นแหละแสดงว่าถอนได้แล้วถ้าไม่มีอาสังคตะรำเป็นอารมณ์ก็ถึงจะเห็นโทษขนาดไหนก็ยังก็ยังมีตาอยู่ดีเพราะว่าถ้ายังมีตาเป็นอารมณ์อยู่นะยังไงมันก็มันก็พบใหม่ก็มีอยู่ดีจนกว่าที่เรียกว่าลีกออกจากตาได้อย่างเด็กขาดลีกออกจากหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างเด็ดขาดนั่นแหละอันนั้นแหละเป็น ความสละจริงๆอะนะสละตาสละหูสละจมูกสละลิ้นสละกายสละใจได้แหละถ้าทําได้อย่างนั้นจริงๆนั่นแหละเป็นเป็นทางออกจากวัตทุกข์ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้การตามอ่าเรียกว่าเพ่งโทษเนี่ยนะเพ่งก็คือบาลีว่าฌานเนี่ยนะก็ตามเพ่งอาทีนวะก็คืออาทีนวานุปัสสนานี่นะก็ตามเพ่งโทษทั้งโดยสมถะวิปัสสนานะี่ เจริญมากเพียงใดจนสามารถที่จะหลีกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นั่นแหละการทำที่สุดแห่งทุกข์ก็จะมีได้นั่นก็ความดับทุกข์จริงๆอยู่ที่ตัดฉันทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ท้งนั้นทั้งนี้เราต้องเข้าใจเงื่อนไขาการสร้างตาเนี่ยนะต้องต้องเข้าใจเลยว่าวิธีสร้างตาเป็นยังไง วิธีสร้างหูทําไมจึงสร้างหูสร้างยังไงมันน่ากลัวยังไงตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยนะก็ศึกษาทําความเข้าใจให้เพียงพอไอการทําความเข้าใจอันนี้แหละเรียกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิเพราะว่าความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญอย่างมากสัมมาทิฏฐิตัวนี้แหละเป็นเป็นมรรคเนี่ยนะเป็นหนทางเพื่อให้พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกาใจเป็นองค์หนึ่งในบรรดาองค์ที่จะช่วยให้ คนทุกนั้นการวิจัยเลือกเฟ้นอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจนกว่าจะหลีกออกจากสังขารได้นั่นแหละจึงจะสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้